ตอนที่30ิเวลาดูจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะักความหมายแฝงในคําพูดของเจิ้งเซ้าเหิงก็คือเขารังเกียจที่หลีหวานไม่ฉลาดเจิ้งอวิ๋นชงนั้นใช้ชีวิตอย่างเที่ยงตรงและสง่างามมาโดยตลอดแม้แต่เรื่องของตนเองเขาก็ไม่เคยเอ่ยปากขอร้องใครหลีหว่านผู้ถูกรังเกียจหนังก้มหน้าก้มตาตั้งหน้าตั้งตาสดข้าวต่อไปต้องยอมรับเลยว่าอาหารเช้าที่เตรียมไว้นั้นฟุ้งเฟือยมากหอมเหลือเกินเมื่อเทียบ ก, กับชั่วไม่กี่วันที่ต้องอดมื้อกินมื้ออยู่ในชนบทแล้วนี่มันคืองานเลี้ยงฉลองชั ด, ชด อีกอย่างคือส่วนสูงของนางนั้นช่างน่าลำบากใจจริงๆอายุ10กว่าปีแต่มักถูกคนเข้าใจผิดว่าเป็นเด็ก 7-8 ขวบเสมอซึ่งสาเหตุหลักก็คือการขาดสารอาหารหลีหวานตัดสินใจว่าจากนี้ไปจะยอมลำบากใครก็ได้แต่จะไม่ยอมให้ปากท้องของตอนเองต้องลำบากเด็ดขาดหลีชิงผิงยิ้มด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนคุณแม่ไม่เป็นไรขาผลสอบจมเขายังไม่ออกไวรอคะแนนออกแล้วค่อยดูว่าโรงเรียนมัธยมปลายไหนที่เหมาะสมอีกที เจิ้งอวิ๋นฉงขมวดคิ Q ้วแน่นความเกลียดชังที่เศร้าเหิงและพี่น้องทั้งส ม, มีต่อสองแม่ลูกชิงผิงนั้นเกินกว่าที่เขาคาดการไว้มากหากเขายังคงดึงดันที่จะปกป้องสองแม่ลูกชิงผิงต่อไปนอกจะจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วยังจะยิ่งกระตุ้นความรู้สึกต่อต้านของพวกเศร้าเหิงให้รุนแรงขึ้นอีกด้วยกินข้าวกันก่อนเถอะเจิ้งอวิ๋นฉงเอ่ยเสียงเรียบลีชิงผิงตอบรับด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานค่ะอาหารเช้ามื้อแรกหลังแต่งงานดำเนินไปอย่างสงบราบรื่นพอสมควร นาลานบ้านตระกูลโจโจเจี้ยนเย่ยตื่นแต่เช้าตรหนิวซูเ ฟ, ฟินที่ยังง่วงเหียอยู่เห็นลูกชายกำลังเตรียมทำอาหารจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องครัวทำไมไม่นอนต่ออีกสักหน่อยละ่ะเมื่อวานยุ่งกับการแต่งงานทั้งคืนก็คงจะเหนื่ยล้าหนิวซูเ ฟ, ฟินรู้สึกสงสารที่ลูกชายต้องลำบากผมจะทำอาหารครับน้ำเสียงของโจเจี้ยนเย่ยฟังดูเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ปกตินิวซูเฟินจึงดึงแขนเขาไว้แล้วสักไซส์เป็นอะไรไปเมื่อคืนพวกเจ้าไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหม นี่เพิ่งจะแต่งงานกันเองนะเจียนเย่คเคอเคอเป็นคุณหนูจากในเมืองนิสัยย่อมต้องมีบ้างที่เอาแต่ใจหรือเย่ยิงอีกอย่างนางยังอายุน้อยกว่าเจ้าเจ้าต้องหัดยอมนางบ้างผู้หญิงน้าหูเบาแค่พูดจาดีๆไม่กี่คำก็หลอกจนหัวหมุนได้แล้วชีวิตคู่ของพวกเจ้าถึงจะเจริญรุ่งเรืองหนิวซูเฟิร์นพยายามเกลี้ยกล่อมด้วยความหวังดีอีกอย่างแม่ดูแล้วนางไม่เหมือนคนที่ดูแลคนอื่นเป็นลูกสนะใภ้ต้องค่อยๆสอนทุกอย่างจะใจร้อนไม่ได้แม่ครับแม่พูดเรื่องอะไรเนี่ย เมื่อคืนโจเจี้ยนเย่แทบไม่ได้นอนพอตื่นเช้าไม่ยังต้องมาฟังแม่เทศนาอีกทำให้เขารู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงตอนนี้ผมแค่อยากรีบกินข้าวกินเสร็จจะได้ไปฝึกซ้อมที่กองทัพเจ้าเพิ่งแต่งงานก็จะไปฝึกซ้อมแล้วเหรอไม่พักผ่อนอยู่ที่บ้านสักซองวันละหนิวซูเฟินเห็นว่าเขาไม่อยากฟังจึงไม่ได้พูดต่อถ้าผมพักอยู่ที่บ้านแล้วใครจะหาเงินล่ะครับโจเจี้ยนเย่พูดมาถึงตรงนี้ก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดพอเถอะครับผมไม่กินแล้ว พูจบเขาก็เตรียมจะเดินออกไปหนิวซูเฟิร์นรีบวิ่งตามไปอย่างร้อนรนตอนเช้าไม่กินข้าวไม่ได้นะถ้าเจ้าไปไม่ทันก็หาอะไรกินรองท้องระหว่างทางได้ยินไหมรับทราบครับโจเจี้ยนเย่ตอบรับอย่างขอไปที่หนิวซูเฟิร์นส่งเขาถึงแค่หน้าประตูบ้านแล้วไม่ได้ตามต่อนางมองตามแผ่นหลังของลูกชายที่เดินไกลออกไปพลางขงมวดคิ้วแน่นขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ลิวเคอเคอนอนยาวไปจนถึงเที่ยงวันหิวซูเฟิร์นเห็นนางเดินออกมาจากห้องอย่างช้าๆในใจก็รู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างแต่ไม่กล้าพูดจะสุม 4, สี่สุมห้าเคอเคอนี้เจ้ากลางวันนอนเยอะขนาดนี้ช้าจะนอนหลับได้ยังไงแขนของลิวเคอเคอร์ที่กำลังจะบิดขี้เกียจชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าแม่สามีหมายถึงอะไรนางจึงยิ้มบางๆคุณแม่ข้ก็เมื่อคือนหนูเหนื่อยมากนี่นาก็เลยนอนนานไปหน่อยตอนนี้เอวหนูยังไม่อยู่เลยค่ะหนิวซูเฟิร์นนกถึงหลานชายตัวน้อยขึ้นมาทันทียย้ึงงกวาถบหู งั้นตอนนี้เจ้าพักผ่อนพอหรือยังถ้ายังเหนื่อยก็กลับไปนอนในห้องต่อเถอะเดี๋ยวเจี้ยนเย่กลับมาแม่จะว่าเขาให้เองถึงจะเป็นช่วงพิ่งแต่งงานก็ไม่ควรจะหักโหมขนาดนี้ไม่รู้จักสงสารเจ้าเลยไม่เป็นไรค้าเขาเป็นคนหน้าบางถ้าคุณแม่พูดเรื่องนี้ออกมาตรงๆเขาต้องอายแน่ๆลิวเคอเคอกินอาหารเช้ า, ง, าง่ายเสร็จก็ไปที่สํานักพิมพ์นางนั่งลงที่โต๊ะทํางานของตนเองแล้วเมื่อรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อคือนนางกับโจเจี้ยนเย่นอนหลับไปตั้งนานแล้วซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากคืนเข้าหอในชาติที่แล้วเท่าไหรน หลิวเครอรเคอไม่เคยอยู่กับผู้ชายคนอื่นมาก่อนดังนั้นจะไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบเมื่อเห็นนางเหมือลอยเพื่อนร่วม ง, งานก็ขยับเข้ามาใกล้เฮ้ก <Hey, S 1> ลางวันแสกๆ แ, แบบนี้เจ้าคงไม่ได้กำลังคิดถึงเรื่องเมื่อคืนอยู่หรอกนะสามีเจ้าเป็นยังไงบ้างดูจากท่าทางแล้วต้องสุขภาพดีแน่ๆเจ้าช่างมีบุญจริงๆก็แค่จนไปหน่อยแน่นอนว่าประโยคหลังนี้เพื่อนร่วม ง, งานไม่ได้พูดออกมาเมื่อวานตอนแต่งงานมีเพื่อนร่วม ง, งานไปเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ทางบ้านของหลิวเครอรเคอเลี้ยงฉลองที่ร้านอาหารของรัฐซึ่งกระจองไว้เพียงโต๊ะเดียวเมื่อวานีิมีอีกคู่ที่แต่งงานกันได้ยินว่าฝ่ายชายเป็นถึงรองผู้พันเขตทหารให้ตายเถอะจองไว้ตั้งยี่สิบโต๊ะมีแต่จะมากกว่านั้นไม่มีน้อยกว่าแน่นอนงานเลี้ยงฉลองของพวกเขานั้นช่างดูมีหน้ามีตาจริงๆทั้งที่เป็นผู้นําในเขตทหารเหมือนกันแต่ความแตกต่างนี้ช่างไม่ธรรมดาเลยจริงๆเฮ้ hey, ข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าหน่อยหลิวเคอเคอยังคงเก็บความสงสัยไว้ในใจไม่ได้ ซึ่งจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่นางสงสัยมาถึงสองชาติพบว่ามาสิเจ้าต้องสัญญากับข้านะว่าเรื่องนี้ห้ามไปบอกใครเด็ดขาดหลิวเคอเ ค, อ, เคอออกตัวไว้ก่อนเพื่อนร่วมงานพยักหน้ายืนยันอย่างจริงจังไม่มีปัญหารีบพูดมาเถอะคือเวลาที่พวกเจ้าสองคนอยู่ด้วยกันหมายถึงเรื่องพันนั้นน่าจะมีความรู้สึกยังไงหลิวเคอเ ค, อ, เคอพยายามเลือกใช้คําพูดอย่างระมัดระวังเพราะไม่รู้จริงๆว่าควรจะพูดอย่างไรเรื่องเรื่องพันนั้นจะมีความรู้สึกยังไงอีกละ่ะ ก็ต้องมีความสุขสิเพื่อนร่วม ง, งานยิ้มให้หลิวเคริรเคิร อ, อย่างมีเลนัยเป็นอะไรไปเจ้าคงไม่ได้มาอดข่าหรอกนะงั้นลองบอกข้าหน่อยสิว่าสามีเจ้าหามรุ่งหามข้าไปถึงกี่โมงทันใดนั้นหลิวเคริรเคิรก็พบจุดที่เป็นปัญหานางยิงคงตอบตามความจริงแล้วตอนคืนเข้าหอของพวกเจ้าละ่ะตอนพวกเราเพิ่งแต่งงานกัน่ะแทบจะวุ่นวายกันทุกวันไม่อย่างนั้นข้าคงไม่มีลูกชายทันทีที่แต่งงานหรอก แต่หลังจากนั้นนะ่ะนะพอผู้ชายอายุมากขึ้นพละกําลังก็ลดทั่วลงค่าว่าคงเทียบกับสามีของเจ้าไม่ได้หรอกหลิวเคอเคอร์อชะงักไปไม่ถูกสิต่อให้เป็นตอนที่พวกนางแต่งงานกันในชาติที่แล้วเรื่องพันนั้นก็น้อยจนน่าใจหายหลิวเคอเคอคิดมาตลอดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อคืนนี้นางกลับรู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่ปกติแล้วคือนางยังกําลังรู้สึกดีอยู่เลยแต่อีกฝ่ายกลับล้มตัวลงนอนหลับปุ๋ยไปเสียอย่างนั้นเรื่องนี้ทําให้ในใจของนางรู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก เจ้ายัางไม่ได้ตอบคําถามสําคัญของข้าเลยหลิวเคอเคอเร่งเร้าให้เพื่อนร่วม ง, งานตอบอย่างจริงจังก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงละมั้งลาคอของหลิวเคอเคอขยับปลื้น้ําลายโดยไม่รู้ตัวหนึ่งชั่วโมงเมื่อคืนนี้พวกนางเผลอๆจะไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ําคนของข้าคนนั้นน่าไม่ได้เรื่องเลยข้าละไม่อยากจะพูดถึงเพื่อนร่วม ง, งานโบกมืออย่างรําคาญมีหน้าละเขาถึงบอกว่าคู่แต่งงานใหม่ไม่ทะเลาะ ก, กันถ้าความสัมพันธ์ดีจะทะเลาะ ก, กันได้ยังไง ทุกวันหวานชื่นปานน้ำพึ่งยิ่งแต่งงานกันนานไปก็ยิ่งทะเลาะกันหนักขึ้นจนแทบอยากจะแยกห้องนอนกันทุกคืนเจ้ามองข้าก็น่ารำคาญข้ามองเจ้าก็น่าสะอิสเอียน